ในการเรียนรู้กรรมฐานคราวนี้ก็ขอพูดวิธีการปฏิบัติเริ่มต้นซื้อก่อนเริ่มต้นจริงๆเขาบรรดาทานพุทธบริษัทยองยาทิ้ลมหายใจเข้าออกต้องย้ำ ม, มาเสมอนะจำได้ไหมจำนะ จ, จำได้แต่ความจริงที่าถามว่ากรรมฐานเกสี่สิกอง ถ้าทำเลยอนาปานุสิไปแล้วถ้าจะทำกองอื่นจะต้องใช้อนาปานุสิตควบไหมก็ต้องต่อก็ต้องใช่คือทุกครั้งที <h <h ่ทำกรรฐานต้องจับลมใจเขาออกเป็นตเป็นพื้นฐานเสมอก็เป็นกรรมฐานใหญ่นี่ถ้าจะพูดกันเท่าว่าพูดทรงชาญพูดทรงชาญจริงๆเนี่ก็ไม่ได้ใช้เวลามากเลยนะ ถ้าต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาตามจะใช้ทันทีทันใดหรือแค่เริ่มปั๊บ ก, ก็ใช้งานเลยก็ต้องใช้อนาปานุสติเหมือนกันเพรว่าอนาปานุสติที่เู้สูนทานนี้หายใจเข้าไม่ทันจะออกก็ใช่เล ย, เยมันพร้อมกันเลยนะรวมความว่าอานาปานุสติจะมาถ่ายเคลื่อนลมหายใจเขาออกคอย ใ, ใช้เป็นพื้นฐาน โดยเพราะอย่างยิ่งกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานนะงับทุกขเวทนาเขาผูู ส, สั้นๆแล้วกากลสังขารในปางยากแต่ว่าหากว่าเรามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเหนือการป่วยไข้ไม่สบายถาย้าใช้อนาปา น, านสติลมหายคุมอยู่ใจเรื่อยๆกังสบายนะรู้ลมเข้าลมออกถ้าจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิ ค้ า, าอุปจารสมาธินี่ไม่ใช่ฌานเพื่ออารมเริ่มสบายผู้เคยทนาที่ป่วยไข้มาสบายจะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นแหละเรือนิดเดียวเนะีแต่ว่าถ้าถึงอนาถ้าถึงอุปจารสมาธิท้ละเอียดจะไม่รู้สึกว่ามเจ็บปวดเลยเป็นดีมาก <c oughs> และกิจการที่สองท่านที้ไดนาปานุสติคลอง จะรู้เวลาตายนี้มันดีมากเพราะว่าถ้าจะาตายเวลาไหนนี่รู้จะาตายเวลาไหนาการตายจะเป็นยังไงโดยเพราะอย่างยิ่งคนที่เคร่งใ น, นนาปาตุสติเวลาตายไม่มีการโกรธโกรายจะมีอารม์สงบจะเป็นคำบรรดาท่านพุทบริษัทคําว่าสมาธิทุกกองในกรรมฐานแล้วสี่สิบกองกรรมฐานสี่สิบพอดี ในมาหาธิปฐานาสะสวดพอดีจะต้องใช้อนาปานติจารเป็นพื้นฐานเสมอไปขึ้นตน้นก่อนที่จะพิจารณาไอ้คำว่าพิจารณานี่คืออารมณ์คิดคิดเรื่องกรรมฐานกรรมฐานมีอรมคิดหลายสิบอย่างอันนี้จะมาติบปา่าด้วเวลาน้อยก็ใจขึ้นต้นอนาปานติจาก่อนเพื่อให้ใจเข้ารู้หนูให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นไหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย <c oughs> ู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็จิตสรงสมาธิได้ดีรีบริการแห่งการว่าจิตสรงสมาธิจิตสงบถ้าขอกระดาษพระตัวบริษัทจงอย่าคิดว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสงบโดยไม่มีอารมณอ่นเข้ามาแทรกก็มีญาติโยมส่วนใหญ่เคยไปตรารุป ว่าจิตมันพุ่งสร้างไม่สามารถทจะทํากรรมฐานได้กว่าจริงคนถ้าจิตไม่พุ่งสร้างก็ห้ามทำพระกรรมฐานห้ามฝึกทั้งนี้เพราะอะไรก็เป็นผ้าละหันแล้วนะให้ฝึกประรหารก็สวญนะฮะยงแม้ว่าผ้รารหันเองจิตก็ไม่ได้สงบคําว่าสงบคือจิตอารมณ์ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มี คำว่าสงบเในที่นี้หมายถึงว่าสงบจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างเดียวจิต ค, คิดจะรักจะโวยเขาบ้างคิดอยากจะฆ่าเขาบ้างคิดอยากจะแย่งคนรักบ้างคิดจะจะพูดโมสาบาดบ้างคิดอยากจะดื่มสุราเมรัยบ้างอยากจะนินทาว่าร่คนอื่นบ้างอย่างนี้ไม่มีในพระอรหันต์แต่ตรงอื่นยังมีทุกอย่าง ความเมตตาจิตแต่ผ้าหันมีเป็นปกติก็ยังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ว่าทํายังไงจะมีความสุขแม้แต่องค์สมเด็จพระสมาสัมพเจ้าเก็เป็นเช่นนั้นนิมกบวันดาแต่พระบริษัทธทุกท่านตัวทราบว่าจิดว่างคำเมาว่างคือว่างจากอารมณ์ชั่วแต่ว่าด้านอารมณ์ดีจิตไม่ได้ว่างทรงอยู่เสมอทิพย์อยู่เสมอไม่ไกัน ป็นการจิตใจกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทคอยถืออารมณ์าจิตเป็นสุขเป็นสำคัญอันดับแรกคือหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าออกสองรู้คำภาวนาท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ตามใจชอบที่คังไว้เพราะความตามใจชอบสมัยควาบางคนคล่องแบบนี้แล้ว ถ้าไแนะนําปรับเปลียนจากอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้นะจิตจะเริ่มพุ่งสร้างใหม่จะไม่สรงตัวได้รับแรกคิด ว, ว่าคําภาวนาก็ดีการรูล้ลงไม่ใจก็ออกก็ดีเป็นปัจจัยโยนจิตให้เป็นสุขหมายความจิตให้จิตว่างใจกกิเลสขณะใดที่จิตรู้ลงไม่ใจเข้าหัวใจออกก็ตามขณะใดที่จิตรูค้คําภาวนาก็ตามเวลานั้นจิตว่างใจกิเลส ถ้าขนาดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทภาวนาอยู่ตามวัติกลางคืนเราใช้เวลา20นาทีในเวลา20นาทีนี้แตบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทจิตว่าใจกระเด้จริงๆรวมแล้ว2นาทีคนจะพอใจถ้าถามว่าไม่น้อยไปรลยก็ต้องตอบว่าไม่น้อยให้นว่างจริงๆนะคำว่าว่างนี้หมายความรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้โลกกับบรรา โดยที่ไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกจิตถ้าได้คืนและสองนาทีนี่เรียกว่าแค่สองนาทีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าจิตว่างจริงเลยเพราะอาการอันใดอาการแบบนั้นต่อไปเพื่องหน้าสมมุติว่าทาเรายังไม่เคยผ่านในชาตินี้อาการอย่างนั้นจะทรงจิตนั้นไม่จะบรรลุจงรู้ อ, อรหันต์ตัวอย่างผู้อย่างใครเดียว่า <c oughs> ถ้าท่านจุนรวันถก็ออยังมีมากอย่างท่านจุนรวันถุกนี่ท่านฟังกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าเล็กน้อย <c oughs> เพียงแค่พระพุทธเจ้าส่งผ้าขาวให้คืนหนึ่งผ้าชิดหน้าแล้วก็ให้บอกไว้ภาวนาว่าละชงรารังละจางอ า, า, ารสีคาแปลว่าไงไม่จําเป็น แล้วก็เวลาที่ภาวนาอย่างนี้มือคึงผ้าขาวคึงไปคึงมาแล้วก็ภาวนาว่าอย่างนี้ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีท่บบนานกัมมลุกอรานง่ายไหมแอ้วนี้ก็ใส่ปัจจัยเดิมเหตุเดิมเหตเดิมก็ตั้งกจไม่รู้ว่าท่านจุนวรรณ น, นี่เป็นพระอิชันหลังนี่นูมมากนี่เราไป่ได้ทาท่านนะ ตามประวัติ <c oughs> ในตอนต้นที่งงมากคือว่าพี่ชายบวชเป็นพระหรหันคือมหาวันทองเป็นพระราหันรัไปสัมิทายานแต่ว่านอนชายก็ไปอยู่กับพี่ชายเพราะพ่อตายแม่ตายมาอยู่กับพี่ชายบวชแล้วสี่เดือนพี่ชายให้เท่า อ, อิอออทีวีโศกต้นบทพุตกลุ่นสี่เดือนนี่จำไม่ได้ เป็เมื่อท่านพี่ชายเห็นว่านอนชายถ้าคืนเกาะพี่อยู่จะไม่มีกเกาไม่มีกวามมกวาะจะบรรลุบัคขุนอ้อภาษาแล้วท่านยังขับให้พ้นจะสํานักไปในเมื่อถูกขับก็หมดอะไรก็มีความรู้สึกว่าเมื่อพ่อตายพี่และแม่ตายเรามีพี่ชายพี่ชายก็เหมนพ่อเวลานี้พี่ชายขับเราก็หมดที่คืนก็เวลาพระพุทธเจา้า พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนท่านบอกเวลานี้ที่ชายขับอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปพระพุทธเจ้าถามว่าคือบวชในสนักของใครท่านก็บอกว่าบวชในสมณะขององค์เดชตุสัมมาทัมมัสสะเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าแตเพื่อพี่ชายทีอขับคือเพอยู่กับตถาคตหากตีตอนนี้บรรดาแท้พุทธบริษทัทอธิคิดว่าพระอรหันต์ทำมยังโกรธที่ขับแล้วไม่เฉลิกรอดหวังผล แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บอกกันไม่ได้ถ้ายังมีอารมณ์ติดเกาะพี่ชายอยู่ท่านไม่มีโอกาสไปพระนาหันต้องปลดการที่ไปหันนี้ต้องปลดทุกอย่างจากใจเืราะว่ารมห่วงอนิดหนึงจะมัต้องไม่มีในใจในเมื่อไระยู่พุทธเจ้าแล้วพุทธเจา้ามาส่งผ้าให้แล้วสอนให้ภาวนาให้ภาวนาราชูภาวนาชังนันติแลว้าาวก็าาขาวใส่มือซ้ายมือขวาตึงเพราขาวไป ท่านทำอย่างนั้นป่เดี๋ยวเดียวก็บรรูุอรหารพร้อมไปสมิธายานก็มีฤทธิ์มากแล้วต่อมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าว่า <c oughs> ท่านวาจุนบันโกในตอนต้นเป็นคุณโง่เราะว่าคำสรรเสริญพระพุทธคุณทีดีวิสวรรต้นพี่ชายให้ท่องตัองสี่เดือนทำไมจึงจำไม่ได้ สมเด็จพระจอาตายยังทงตรัสว่าวิ่เกเวเด็ก่อนที่สุทั้หลายท <c oughs> ี่จุนมันตกต้องเป็นคนโง่แบบนี้เพราะว่าในชาติก่อนท่านบวชเป็นพระมีปัญญาดีมากแต่ว่าวันหนึ่งไปเจอพระที่เท่าหนังสือสวดมนต์เท่า น, นั้นเท่จจาจําำจําไม่ค่อยได้คือปัญญาไม่ดีปัญญาทิพให้เวรนเลาะย่อเข้า เพราะย่ อ, ยยอหน่อยเดียวเท่านี้เป็นปใจใัจจัยจุลนุกุลเป็นคนโง่ทั้งหลายสิบชาติจาไมา่ดีนะถ้าเราจะย่อก็ตอนยออคนฉลาดถตาไม่อยากฉลาดกูยออมึงเลยโอ้ยเราจะฉลาดกูมาก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต่อมาพระพุทธเจ้าถามว่าผมก็สงถามว่าท่านจนวันถงไปตอนต้นเป็นคนโง่แล้วตอนหลังมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนํนากรรมฐานนิดเดียว ว่าเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระรหันต์้อมีสมิทายานมีฤทธิ์มากเป็นข้ออะไรองรยยสมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าพิเกเวเดูวก่อนวิสุทลายในอดีตการนานมนแล้วสมานบอตึกสำบรรพันยืนนานมากเวลานั้นท่านจุนบันทกเป็นพระราชาวันหนึ่งออกเรียบพระนคร ขณะที่เรียบเนระื่องคอ น, นั่งคันหามไปแบบได้นเหงื่อพมก็ไหลความร้อนเกิดขึ้นท่านก็ผ้าเช็ดหน้าฝนเขาขาวในกระเป๋าเช็ดหน้าเช็ดตาเหนื่อมันก็ติดจีดจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนเนี่ยมาสกปรกแบบนี้เฉยๆความรู้สึกของท่านมีเพียงเท่านั้นนะแล้วต่อมาตรงนี้ไม่ได้มีอีก พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จมลตกมร้อหันได้โดยง่ายเพราะอาศัยปัจจัยเดียวคือเห็นว่าร่างกายสุดลงเองฉะนั้นขออนรดาตในพุทธบริษัทการเจริญสมาธิของท่านหาว่าท่านเจริญสมาธิจิตท่านจิตว่างจากกิเลสในเวลา20นาทีเทาว่างจริงๆแค่2นาทีควรพอใจโ <c oughs> ดวยวฉพามากกว่านั้นก็ควรจะดีใจมากกว่านั้น ในลาภประวัติสมาธินิดน้อยนิดหน่อยไปคิดว่าไม่มีไม่มีประโยชน์เรื่องตัวอย่างเล็กน้อยนี่นีมากแต่เวลามันน้อยวันนี้ก็ขออธิบายถึงการเจริญสมาธิหรือการเจริญกรรมฐานการเจริญ ก, กรรมฐานพ ร, ร, ร, ร, ระพุทธเจ้าทรงหวังและบรรดาใจพุทธบริษัททุกคนพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ก็คือว่าถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร เป็นคนก็ดีเกิดนมนุษย์โลกก็ดีในยมโลกก็ดีในเทวลโลกก็ดีพมทธโลกก็ดีเราไม่พูนจากความพเพราะแดนแต่แดนที่ไปเกิดไม่มีอะไรทรงตัวการเกิดเป็นมนุษย์มันก็มาเป็นมนุษย์ตลอดการตลอดสมัย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราเกิดแล้วไม่ตาย <c oughs> เกิดแล้วต้องตาย การเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วก็ไม่มีการส่งตัวจากความเป็นเด็กและความเป็นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็วัยการคนต่อไปก็เป็นใบปุ่นแก่ก็เต็มไม่้ียความทุกข์แล้หนณะที่ส้งชีวิตอยู่ก็มีได้ความเหน็ดเหนื่อยยากหาความสุขไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์ที่เกิดในใบปุ่นไม่กนต้อเป็นต้นทุกข์มากกว่านี้ ถ้าไม่ เ, เดวดาแล้วผมมีความสุขก็อยู่ไม่นานกลัวความว่ า, าการเกิดในวัฏสงสารไม่มีอะไรจะดีขอคิดไว้ตอนนี้ก่อ น, น, นอันดับแรกสิ่งที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดก็คืคคคคคอพระนิพพานเึืก่อนนี้นดาในพุทธบริษัททุกท่านจะจะเริ่มเจริญภาวนา <c oughs> ก็ใช้ปัญญาเจริญตามความเป็นจริงอันแบบง่าย เห็นว่าชีวิตที่เกิดวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์การประกอบการงานทุกอย่างประกอบเลี้ยงอาชีพก็เต็มได้วยความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดกลับมาเป็นคนใหม่ก็ทุกข์อีกอย่างนี้อีกถ้าเกิดในใบภูมิทุกข์มากกว่านี้เป็นเทวดาหรือพรมก็มีความสุขเพียงไหนถ้ว่าสุขนานต้องกลับมาทุกข์ใหม่ แล้วก็ตัดสินใจเพื่อการมาเกิดคือปฏิพันธ์ดนี้การปฏิพันธ์จะไปยังไงอันดับแรกอารมณ์ของพระโสดาบันกสิกขธาธรรม <c oughs> ส่งให้ได้มันคือนี่ได้พูดนะอารมณ์ของพระโสดาบันจะมาดูบอกที่ตามความไม่จริงว่าชีวิตนี้ต้องตาย ก่อนจะตายแล้ไม่ยอมไปบวยภูมิตั้งใจทรงความดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแนละพระอริยสงฆ์เป็นการตัดสัญญาข้อที่สองตัดสัญญาข้อที่สามเพื่อสินพระตาบรามากรรักษาสินให้สรงตัวโอยู่พอะอย่างยิ่งครวาวาก็คือสิ่งห้า <c oughs> ถ้าทำได้อย่างแค่นี้เนบรรดาแต่พุทธิษัทท่านเข้าเกณฑ์พระนิพพานแล้ว คำว่มมาวสุดาปันแปลว่าพวกเขาถึงกะแสสนิพานาได้ทาให้เจตนาเอดไปกว่านั้นเข้าสู่แดนพระสกิธาคามีพระสกิธาคามีก็เปลี่ยนจากสินห้าเป็นกรม ร, น ร, กรมบุสิบือสทรงลกรรมบุสิบมือคืคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักรัพย์สามไม่รุกกในกรรมในทางกาย าวาจามีสี่คือไม่พูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุ่งเข้าแจกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์สำนับด้านจิตใจไม่คิดอยากได้ซักสมัยเขาก็บุญอื่นใดมาเป็นข้อตกลงไม่ชอบทำแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติตองปรองโกรธก็มีความโกรธแต่ไม่พยาบาติจองร่างจองฝันไขมีความเห็นตรงสติตามที่พระเจ้าทรงสอน ถาลงแค่นี้เป็นพระสิทาคาเมีย ถ, ถ้าว่าท่านหวังก้าต่อไปเพื่อเป็นพระอนาคามีก็พยายามอดกลั้นความโกรธไว้เนเรื่องสน่นพระอนาคามีนี้เลิกโกรธแต่ว่าในตอนต้นเราจะเลิกโกรธทีเดียวไม่ได้ต้องพยายามมันถอดกลั้นเอาไว้พิธีอดกลั้นความโกมรธคือว่าถ้าสิ่งใดที่กระทบขมมาเข้าพูดไม่ชอบใจ อันดับแรกนิ่งไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนแล้วเพิ่งโตต่อแล้วถ้ามาันนำกาญคนไม่ไหวจริงถ้าเท่าโอกาสเขายามลุกหนีนี่มันยากคือว่าจะลุกพ้นผ่านแสดงรูโหลุดแต่ว่าถ้ามันคนไม่ไหวก็ใช่คืนด <c oughs> ชดบ้างเห็นไหมพยายามอดใจแบบนี้บ่อยๆไม่ซ่าจิตจะชิน การยับยั้งจะมีมากขึ้นเมื่อการยับยั้งชินมากขึ้นในมรรสุดอารมณ์ปวดมักนก็หยุดตัวต่อไปพระนาคามีก็อดในการอดอารมณ์ในการไม่ฉันทะความพอใจในโลกเสียงที่เราตัสัมผัสอันนี้จะติกว่าเราทําได้ฉับพลันนี่มันไม่ได้ต้องใช้อารมณ์เข้าใจตางความเป็นจริงแต่อารมณ์เข้าใจตางความเป็นจริงยังนึกว่ทําทง่ายดังนั้นมันยากนะ ให้มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงเออวันนี้มีคนส่งปัญหามาถามว่าเวลาเห็นคนเขาแล้มีความรู้สึกว่าเหมือนโครงกระดูกเห็นไหมตั้งแต่ทีนี โ, ค, โ, ค, โ ค, ครงกระดูกอย่างนี้เขาถ่มเพื่อสุภกรรมฐานเอาสุภกรรมฐานนี่มีสิบกองนันกองสุดท้ายทีย่เรียกว่าอติกังปฏิบูลังเป็นภาษาวาลีไม่รู้เรื่องอะไรนะ ว่าที่กังไม้เท่าเป็นเห็นว่ครงคนบนล่างเป็นโครงกระดูกโครงกระดูกมันก็เต็มไปดความสุขหลดคนเรามีเนื้อมีหนังหุ้มโครงกระดูกมันก็ไม่มีการทรงตัวเราเนื้อไม่เชื่อตเต็มเสมอไปไม่ช้านก็เหี่ยวก็แห้งลงใ น, นที่สุดก็เลยหนังหุ้มกระดูกดูในที่สุดหนังก็จะไม่มีก็หมดไปโครงความร่างกายของคนเต็ไมไปด้วยความสุขปรกโศโครคไม่น่ารักค่อยค่อยคิด ยังนึวกว่ามันทําได้โดยจับพลัน <c oughs> ถ้ายิ่งเห็นคนตายก็เข้าใจเลยว่าคนตายที่เน่าเนี่ยของที่เน่าในร่างกายที่หลังไหลออกมาเนี่ยมันไม่ได้มาเมื่อตายแล้วความจริงน้าเหลืองก็ดีเสลต่ำลายก็ตามถิ่เน่าเหม็นก็ตามมันมีอยู่ตั้งแต่สมัยที่มีชีวิต <c oughs> แต่ว่าในขณะที่มีชีวิตเอาไว้ว่าต่างๆทรงตัวยังปิดไว้มันไม่สามารถจะหลังไหลออกมา เราจะมีธาตุสี่สมบูรณ์ธาตุดินคือเนื้อหนังธาตุน้ํายังมียอยู่ดินกับน้ำที่อยู่ด้วยกันน้ำจะละลายดินแต่เพราะเอื้อธาตุไฟ <c oughs> ความอบอุ่นคงคลรองไว้ดินยังไม่ละลายธาตุไฟจะทรงได้กับผู้อาศัยลมหายใจเขาถออ้าในที่ใดขาดลมที่นั่นจุดไฟไม่ติดใช่ไหม วเี่เราเวลาที่เราทรงชีวิตอยู่ธาตุสี่ทตัวเวลาตายธาตุทั้งสองถลายตัวคือธาตุลมหายไปธาตุไฟก็ดับน้ําก็ละลายดินคือร่างกายเนื้อว่างตับไตไส้ปอดสั่างก็เน่าคุว่าก็เหม็นก็ เ, เจตนาต่างความเปจริงว่าอาการอย่างนี้มันมีกับเราตั้งแต่ก่อนตายคนทัวคนเป็นสภาพเป็นกันร่างกายเป็นไปในความสุ ข, ขสมบกสองโคกพอเราหลงไหนไปผันในร่างกาย ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขจะต้องเกิดแก่เกียตายเรืไปเราจะไม่ต้องกลายนั่งกายอย่างนี้คิดได้บ้างไหมนิดบ้างก็ช่งมันได้ว่าปีหนึ่งเท่ากว่าเอิบมีบังเอิญไมีรงคพิษยอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในความจินใจใช้เวลาทั้งสองสามนาทีเพียงปัจจัยเล็กน้อยเพียงเท่านี้บรรดาแต่รบริษัทเวลาที่จะมารุกมากคนนี่จริงอารมณ์นี้จะรวมตัวจะตัดสินใจในทันทีทันใด รวมความว่านี่เป็นปัจจัยแล้วว่าอนาคามียร์มันยากไปหน่อยแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเพื่อปณิพันธ์ท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติกันในแบบที่ที่ว่าต้องเป็นบระโสดาบันแล้วก็เป็นสีทาคาเมียร์แล้วก็เป็นอนาคาเมีย์แล้วก็เป็นอหรหันต์ถ้าพูดตามตามหลักวิชามันยากแต่พูดตามหลักปฏิบัติมนง่ายกว่า ลักกฏิบัติจริงๆอันดับแรกขบรรดาจะพุทธบริษัททรงศินพระธรรมรักษาศินให้ส่งตัวนี่เป็นอันดับแรกการรักษาสินส่งตัวนี่ก็แสดงว่าทุกคนเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วเมื่อมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศินส่งตัวอย่างนี้ท่นเรียกว่าอรมณ์ขบันสุนดาปันคือว่าองค์ขบันสโสดาปัน เพื่อคนที่ jog, เป็นมาโสดาบันจริงๆเนี่ยมีอารมณ์เพียงเท่านี้นะอารมณ์ที่ท่านทรงตัวจริงๆคือพระรุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริงแล้วก็ฆราวาสวีสินหาบริสุทธิ์จริงเท่านี้เองเมื่อสรงอารมณ์เท่านี้ได้แล้วพระพุทธโกศอาจารย์สุภีรันม่สุมิทายานที่รถเจนาบริสุทธิมัตต์ท่านบอกว่าถ้าบุคคลผูใด ทรงอารมณ์โสดาบันได้แล้วและที่นั่งใดให้ทําจิตให้ถึงเข้าพาารานนะอรหันต์ในที่นั่งนั้นหมายความในขณะที่นั่งภาวนานก็ดีที่เจริญาาก็ดีจิตมีการทรงตงพระพุทธเจ้าประทับและสง์ในความมั่นใจจริงจิตเคารพในศูนย์ในสิ่งจริงมั่นคงแท้หลังจากนั้นก็จับอารมณ์พระอารหันต์เลยอารมณ์พระอหันก็ตัดตัวปลายคือตัวอวิชชา เขาจะแปลขันได้จริงๆนะศาสตรวิชาตัวเดียวอวิชาที่แปลว่าจะแปลว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ต้องแปลท่านแปลว่าไม่รู้ในอริยศัจอันนี้ยากเกินไปคําว่าวิชาที่แปลว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงวิชาพระเจ้าทรงแยกเป็นสองสัพ์ในขันธวรบที่ว่าฉันทะ ก, กับราคะ ให้ใช้กําลังใจใช้ปัญญาพิจร า, า, ารณาอรหันต์ี้ใช้ปัญญาตัวเดียวใช้ปัญญาพิจรารณาตามความนานเป็นจริงตัวฉันทะคือความพอใจตัดฉันทะมัก็ตัดราคะฉันทะที่มีความพอใจคิดว่าเกิดเป็นมนุษย์มันดีเกิดเป็นธรรมดาแล้วผมดีตัดความรู้สึกตัวนั้เสียให้มีความพอใจตามความเป็นเข้าใจทางความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ เป็นเทวดาพระพรหมีความสุขทุกข์ข่าวสุขเป็นานงก็ประทุกใหม่เราไม่ต้องการมันทีเมื่อรมราคะที่มีความเข้าใจว่าเกิดมนุษยมีน่ารักน่าชมนะ่โลกเป็นสิบิลไลน่าอยู่เทวะโลกและพระมโลกน่ารักน่าชมน่าอยู่ตัดทิ้งไปเทวดโลกทั้งสามโลกขยภว่าดียังไงก็ตายทีมันเป็นภูกเราไม่ต้องการเทวดโลกและพระมรโลกลเราต้องการจริงๆคือนิพัน หลังจากนั้นก็ทําจิตให้เข้าถึงสังขารุเปบขายานณ <c oughs> วันนี้หนักไปหน่อยมัเพื่อทําจิตให้เข้าถึงสังขารุเบขาญานสัพพสังขารุเบคายานฟังเป็นบาลีมันยาก <c oughs> ถ้าฟังเป็นภาษาไทยเ <c oughs> ข้าใจอาจจะเวื่อวางเฉยในร่างกายยอมรับตามความเป็นจริงของร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายใส่ ก, ก็ดีทั้งหมด มันมีการทรงตัวของมันมันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่เป็นเด็กเล็กไปเป็นเด็กใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นของแกแล้วก็ตายทุกอย่างที่มันเกิดก็ด้านกายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันจะหนุ่มก็เชยหนุ่มมันจยสาวก็เชยสาว มันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะตายก็เชิญตายไม่จช่ป่วยก็เชิญปลวยทำใจเป็นปกติยอมรับความไมนจริงว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ถา้าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีอีกต่อไปในชาติต่อไปเราจะมีชาตินี้เปชาติสุดท้ายวางใจเฉยแบบนี้บรรดาจะเป็นวยสัตว์พยายามค่อยๆเฉยนะค่อยๆวางใจไม่ชาติมันจะจริง แล้วก็คนคนชาวโลกเอาแน่นอนอะไรไม่ได้คนในโลกนี้อาจจะคิดว่าเห็นหน้าเขายิ้มในเวลาเช้าตอนบ่ายก็อาจจะไม่ยิ้มก็ได้ถ้าพบอย่างนั้นคิดว่านี่คือธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้เราก็เฉยกับอาการอย่างนั้นเมื่อเขายิ้มเราก็ยิ้มรับเมื่อเขาเฉยเราก็เฉยไม่ทําใจติดทําจิตวางเฉย อ, อย่างนี้ก็เรียกสังขารเปรีายาญ ถ้าทรงได้อย่างนี้จริงๆถ้าเวลาเจ็บไข้ไม่สบายไม่ใกล้จะตายอารมณ์นี้จะทรงตัวในยามปกติมันก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างบางทีวันทำได้นิเก้าวันเฉบวันทําได้อีกหน่อยมันทําไม่ได้ทุกวันแต่ทําได้บ่อยๆเวลามันจะตายจริงๆบรรดาแต่าพุทธบริษัทอาตมาขอยืนยันว่าเวลาจะตายจริงๆถ้าป่วยขึ้นมาลเนี่ยครั้งนั้นมันจะวางเฉยจริงๆ เริ่มป่วยน่อยเดียวอารมณ์ต่างๆนี้เข้ามากระทบมันจะเฉยหมดมาตรร่างกายของเราจะเป็นยังไงอารมณ์ใจก็เฉยทุกเวทนามันมีการปวดนั่นกวดนี่มันมีแต่จิตมันเฉยไม่ห่วงคิดว่ามันจะพอจะปวดก็เฉยปวดไปมันจะตายก็เฉยตายไปถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทัหลายนั่งอยู่ที่นี่อยากยือนถาม ถ้าทําการทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเฉยเฉยได้ ย, ยังไงอาจามาก็ต้องขอตอบว่าอ า, าจาเองเนี่ยซ้อมตายมาห้าครั้งแล้วความจริงไม่ได้ซ้อมมันตายเองนะเกาิดคุยแล้วซ้อมตายแต่ความจริงไม่ได้ซ้อมมันตายเองจริงๆอาการปล่วยว่า มานถึงขั้นจะตายก็ม า, าจริงๆมันไม่ใช่เวลอเวลาใกล้ตายสองสามินาทีไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่การป่วยการนั้นอาการมาถึงขั้นตายเพรเริ่มป่วยพักแม้แต่ป่วยน้อยจิตมาเริสงบทั้งเท่าในยามธรรมดาในจิตกระวนกระวายบรญย่าโจ้พุบริษัททั้งหลายเนี่ยอ้วนไมนกันห่วงงานนั่นห่วงงานนี่ ห, นนห่วงว่า น, นั้นห่วงว่านี่ห่วงหมด <c oughs> ที่เคยปราน้อตัวเองว่าจะบ่ายเามีความสุขเราไม่มีความสุขเท่าเขาบางทีเขานอนหลับกันหมดเราจะมีงานทํามันมีงานวุ่นวายขนาดนั้นแต่พราะป่วยเลิ่ป่วยจริงจิตมาสงบเมื่อเพราะป่วยพักจิตมีความรู้สึกว่าชีวเวลานี้ชีวิตมันก็จะตายแล้วร่างกายจะตายอะไรที่เราห่วงจะมีไหมมันไม่มีมันเฉยหมดอารมณ์สบายหมดทุกอย่าง แต่พ่าตายลงไปจริงๆเสี่งที่พบนั่นคือนิพพานไปถึงแดนนี้พานจริงๆแต่ว่าถูกไล่ลงมาเพราะสายาบารมีมากเกินไปล้วบอกไปขูดาบารมีออกให้ไหมหน่อยอาบารมีอะไรวะราบารมีขี้เล็บ <c oughs> ไอ้บารมีเจ้านี พี่บพอไปถึงแนข่าวแรกปั๊บเข้าไปถึง เ, เล่าตอนหนังเวลามเลยส่วเไปไปไนเไม่เป็นไรลนะพอขึ้นไปถึงจริงๆเอาเขาเล่าย้อนนิดหนึ่งอันดับแรกครั้งแรกที่ต้องพบพรนิพพานนะีป่วยหนักเราเล่าย้อนะยาวไม่ได้เวลาหมดแล้วก็ถึงเวลาจริงๆปเปลาประมาณสองทุ่มเห็นท่านสามบดีพรหมจิรข้างนา ต่านบอกว่าเวลานี้สมเด็จสัมว์สัมาพุทธเจ้าได้เข้าไปเฝ้าให้เราก็ไม่รู้พุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรีนน้านิมใช่ไหมก็ไปทีก่กพาไปแทนี้พาขึ้นสวรรค์ตันพาลงนรกปรุจิกก็คิดาองพระพุทธเจา้าคือถือวทัศจบงกวาท่านนา ล, ลงไว้ตั้งแต่เวจีขึ้นมาดูเรื่อยขึ้นมา ถ่างันที่ดูว่านารกแดนนรกก็ดีเปรตก็ ด, ดีสุรกายดีสถิติชายก็ดีทั้งหมดที่นี่มันเป็นความสุขไหมท่าบอกไม่สุขท่านพาไปดูเทวดาแล้วผมไปหมดไปถึงผมทัานที่สิบหกแดนที่ท่านอยู่แล้ว <c oughs> บอกว่าหน้าที่ก็ผมผมที่จะพาท่านมาแค่นี้ในแดนแดงต่อไปขนาดเป็นหน้าที่ของท่านต้องไปเอง ความจริงตั้งแต่อเวจีขึ้นไปทั้งพวงท่านศิวะกำลังดีมากก็ลปลีกเราเป๋าไปให้ข้าวตัวมากพอท่านเชืผ่านไปเท่านั้นธรรดาเจ้พุทธบริษัทแรงมันหมดทันทีงั้นหน้าไปถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าชี้ขึ้นไปเดิ็กขึ้นไปนหน่อยขี้ไปก็สูงที่จริงไม่เกินสองกิโลเมตท่านี้นะจะเป็นพย า, านต่ำๆมากแต่ว่าทางที่ไปเนี่เส้นมันเล็ก ทางนี่เส้นประมาณเท่านี้มือตอนนี้บาทาเราขลาดนี้ขับไม่ไปใจไปเหยียบไปเดียวทางขาดหล่นตุบตันถามว่าการหน้าไปได้ไหมต้องไปไปเป็นหน้าที่ขอท่านมิเชน่าที่ของผมแล้วก็จําใจต้องไปเพราะเป็นคําสั่งคําสั่งเราถืว่าเป็นคําสั่งท่า <c> น <oughs> บอกว่านี่เป็นคําสั่งของผมนะ่ะก็ลองยกเท้าไปเหยียบไปเหยียบพื้น เส้นทางเล็กเส้นทางก็ใหญ่มากมันใหญ่เป็นโลกไปเลยแ ล, ะละ้วดินดินใดก็แปลกก็ปลายกิว่าพอเหยียบลงไปพับไปปุ้นก็เป็นฝืนไม่ดีฝืนึเหมือนเป็นดินนะแล้วมีสภาพเป็นแก้วผสมทองสวยมากเป็นสีทองเป็นเป็ผสมแก้วสวยเพราะที่มันบอกว่าถูกสวยมากก็เดินด้วยเดินไปเดินไปสักประยวหนึน่งก็มาเจอวัดวัดเจอมีรั้วมีมกําแพง ซุ้มปรคล้ายวัดท่าสุ่เลยสุมปรตูวัดท่าสูงมนั่นรอกที่นันมาจะไม่เหมือนที่เขาสวยกว่านะ่ะและ้วเราเห็นพรมเยืนอยูสี่องค์ความจริงที่เย็นสี่องค์นั่นมาจากผมไม่ฝ้าหลานเรารู้จักแคบผมเห็นว่าท่านเป็นพรมเย็นสี่องค์เขเดินผ่านเขาไปท่านยกมือไหว้แล้วก็สงสัยไหว้คนเร็วๆอย่างเราจะไม่พรมไหว้ ตอนนั้นมีความรู้สึกจริงๆว่าเพราะตัวเองน่ะเร็วมากทําไมตรงจึไหวเดินเข้าไปในเขตไว้ตรงก็มีวิปปิลสามหลังมี่หอระฆังอยู่หลังมันใหญ่มากสวยๆคืองามมากบอกว่าถูกแบบแต่พระเป็นยับก็เดินอ้อมไปเพราะเงียบเขียบก็นึกในใจว่านี่มันวัดอะไรนะทําไมไม่มีคนเดินไปเดินมาเื่อเจอหอระฆังเขาก็เหนื่อยมากเลยนอนบนพื้นหอระฆัง ตอนนั้นหน้าไปทางทิศตะวันออกตามที่ของมนุษย์โลกเห็นพระพุทธเจ้ากราะเด็จที่ทราบเลยพระเจ้ า, า, จาตรงมีฉัพ น, นรงังศีท่านจะมีอุปการ์สวยมากท่านเดินมาแท้งมาก็ไม่เข้าทางทุ่มประตูผ่านกำแพงก็คิดในใจว่าท่านผ่านกำแพงท่านต้องก้าวข้างกำแพงนะมั้งกำแพงก็สูงพอว่าถิงเขาแวปรากฏกแพงมันขาดหดตัวเป็นช่อง ถ้ท่านกับผ่านมาว่าท่านผ่านมาแล้งแพ้มาแล้วิ่ ง, งปติจจนใหม่แลแ้วแปลกให้เบอร์นั้นแปลกพอเข้ามาถึงถ้ามาใกล้เลยท่านจะนั่งบนพื้นหอระคังอาตมาก็้าหลุข้าล่างพอท่านนั่งเสร็จจะรู้กราบรู้สึกแรงไม่มีจริงๆมันโคงเข้มากท่านถามว่า เ, เคยคิดว่าจะมานิพพานไหมก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่เคยคิด ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็บอกว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรหมชั้นที่สิบหกรู้จักไว้ก็กล่าวเพียนจะบอกว่าพรหมชั้นที่สิบหกมาที่อยู่ทุกวันท่านถามว่าสิ่งที่เลยท่านพรหมที่สิบหกนั้นเรียกอะไรเขาตอบไม่ทราบเพราะเวลานั้นนังเสือจะบอกนี่ผ่านศูนย์เาเป็นตอนตุ้นเลยนะต้นต้นมาก ท่านบอกว่าที่เธอนั่งอยู่ที่นี่เขาเรียนิพายก็ถามท่านบอกวนิพ า, ายว่าศูนย์ใช่ไหมท่านบอกว่าเธออา่านหนังสือคุณตาบอดตรงศูนยแ์แล้วปิดท่านย้อนมาเราตาบอดหรือเปล่าไม่ทราบการลงความเขาเลาใหท่านบอกที่นี่คือนิพายอาคารทั้งหมดที่ปรากฏนี่เป็นที่อยู่ของเธออาศัยนิเทก่อสร้างเป็นวิหารธานม สร้างวัดบ้างสร้างสถานที่ืสาธารณประโยชน์บ้างให้คนพักอาศัยแล้วมีคิดอะไรนี่รวมตัวแล้วมันเป็นวิมานสามหลังแล้วก็เป็นรั้วกำแพงแบบนี้ก็รู้สึกมีความสดชื่นแต่แรงยังไม่ดีท่านก็ถามเม่ีว่าเธอคิดไป จ, จะมาวิพานไหมก็ตอบไม่ไหวมาไม่ไหวมันยังเตี้ยอยู่ไม่มีมแรงท่านเลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเท่าเน้มิดไม้ท่อนอนึงสีท่อนไอ้ท่อนแค่นี้ทํามือดูกระไร เป็นไม่ลำบางๆให้เราเรียกพระมาเก้าองค์พระเก้าองค์ไม่ปลายโปรดมันมีหลวงพ่อปานองค์ที่สามย้ำได้แล้วท่านเก้าองค์ท่านรู้จักอาตมาทัวเหมดเขาเจอหน้าท่านก็นยิ้มนะ่ะมาถึงท่านหยิบไม้คุณท่อนหยิบซ้ถือไปแบบส บ, บายๆแบบเบาไปท่อนนี่สิบท่านสั่งว่านี่เธอไปยกไม้อนันสิ 10. ถ้าจะมานิิภานได้จะยกไม้นี่ขึ้น ใช่ามาลพานไ ม, ไ, ม ไ, ไม่ไม่ได้สิยกไม้นี่เลยขึ้นทั้งท่านี่ว่ามันบางมันเบาใจก็รู้สึกว่ามันหนักพอไปถึงก็ตั้งทา่ายักแยงยันตั้งทุกเขาจับเต็มที่งัดขึ้นบาศเพราะจับพับมันเบามันก็ด่าดบางๆกาลังมาเต็มที่เลยจับได้ก็ลึกบาอาอกเดินปับปับแบบทหารไปตามพระสิบโอพอไปทั้งสิวาแต่บอกที่กลับมาก่อน เอาไม้หวางก่อนแกกลับ ม, ไไมัไปใหม่ไปล้างกิเลสให้มันดีซะก่อนวิปัสสนาญาณเพื่อจะอ่อนมากไปซ่อมใหม่แล้วก็ที่น้อที่สุดตายชาตินี้มาได้ได้จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ตายตายไปได้แต่ไม่ได้เป็นเลยสามโความพระธรรมดาท่านพุทบริษัท ต, ต้องการจะปฏิภานจริงๆนะตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจ แล้วก็ทักษาสินพยายามให้บริส์มันก็บอกต้องบ้างเป็นของธรรมดาจิตใจตั้งไว้เสมอว่ามนุษย์สโลกเป็นวโลกเราภูมโลกเราไม่ต้องการต้องการนิพพานแล้วพยายามใจหัดใจวางเฉยในร่างกายมันเฉยไม่ได้จริงเราถ้ามันเฉยได้บ้างนิดนิดเป็นหน่อยทุกวันมันปวดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันหิวถือว่าเเรื่องธรรมดาต้องเลี้ยงมัน มันป่วยไข่ไม่สบายถือว่าเรื่องธรรมดามันต้องป่วยแต่เมื่อเป่วยนเรื่องธรรมดาว่าเราห้ามไม่ได้ใจยาวั่นไหวเกินไปมันแก่ก็ถือเรื่องธรรมดาธรรมดาจะต้องแก่ถ้ามันจะตายก็ถือเรื่องธรรมดาจะต้องตายไอ้คำว่าธรรมดาในี่ยจงอย่าคิดว่ามันจะทรงได้ยี่สิบสชั่วโมงวันหนึ่งคิดอย่างนี้ถ้าสองนาทีกระคอไม่คิดได้อย่างนี้จริงเวลาป่วยป่วยให้สัเกต ถ้าป่วยครั้งนั้นจะตายจริงจิตะจะวางเฉยถ้าจิตยังไม่เฉยเฉยังหวงนนหนูนี่ฮันยังไม่ตายถ้ามีคนป่วยพัดจิตประาวางเฉยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อะไรของเราไม่มีอะไรเป็นของเราแน่ร่างกายก็จะตายทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรที่เราจะห่วงหลังจากนั้นไม่นานถ้าจะตายถ้ <c oughs> าทระยะเจ็ดวัน ไม่จั ก, กรวาลทั้งหมดจะเห็นเต็มไป่เลวทั้งเทวดาพรมและพระละหันให้สังเกตให้ดีถ้าเทวดาอยู่แนวหน้าเราตายเท่านั้นไปเป็นเทวดาแน่ถ้าพรมอยู่แนวหน้าตายเพราะเป็นพรมแน่ถ้าพระ้าหันอยู่แนวหน้าอินทรีย์อยู่ใกล้ตายเพราะนิพพานแน่แตัดสินใจ ง, ง่ายๆแค่นี้นะนี่เวลามันเลยแค่สินาที ตอนนี้ไปก็บดานจะพุว่วไปจงหลายส่้นจะมาทางที่ท่ามาทางมากรรมฐาน